พระธรรมเทศนาแผ่นที uko, ่114ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสังตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าศาสนกิจเดินทางต่างใจสมมาท่านศินเมื่อนเป็นวันพระ แรกสิปหาคัมเดือนสีเป็นวันพาเป็นวันธรรมศวรรเป็นวันของอความเป็นมากของวันพระก็คือในขางพระพุทธจเจ้าจมอมนเมทเทวจิคือไดคือเทสโอมเนวคือไทยคือไดคือเบาความเป็นมากฟั่นธรรมศวรรก็คือพระพุทธเจา้าได้ตัดสรตวพระอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ เสด็จประทับอยู่กุงราชจะคือเมืองของพระเจ้าพิมพิสารแต่ในเมื่อพระองค์จุเสรษฐอยู่วัดป่าเวรุวันกับพระสงฆ์มูใหญ่คณะท่าท่าหยาดย่องต่างคนต่างเขาไปกราบคารวะพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารกระเบื้องโอนาจะจัดให้เป็นระบบระเบียบเจ้าจังไหนนอเอาอ 8คำสิผาคำเดือนหนึ่งสีครั้งจะพ่อหมาะหรือจังไห น, น้อไปเจ้าข่าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าพ่นก็เลยเออเอาอำนวยอวยตามระเจ้าพิมพิสารข อ, อจากนั้นก็เลยเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ึ้นมาเออตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะพวกเฮาทุกวันแปดคำสิผาคำเป็นวันธรรมสนะัสัสดิะ เป็นวันประกอบคุณงามความดีของพวกเข้าเป็นวันสมาธานสินเป็นวันรักษาศีลของปวกข้ามเป็นวั่นถ้ำฟังถรำของพวกเข้ า, รรรรขขาจังได้ถือจากข้าวนั่นครั้งนั่นมาก็ถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นพระเพนนี่แปดคำสิผาคำส่วนสิผาคำเนี่ยเป็นวันอุโบสถของพระอันนี้พระพุทธเจ้าผลบรรญัติวิเน่เลย บอกว่าทุกสิปหาคำให้พระสงฆ์ลงอุโ บ, บสถทบท่วนศินและวินัยของเจ้าของจึงได้มีการสวดพระปฏิโมกข์มื่อเศร้านกรณีนี้แหละหลวงพอ่อลงอุโบสถถึงแต่เศ้าเลยขั้ น, มนโมลงอุโบสถที่ปรับอบวบถุกกดไปวาระเลยตนาทีทุกสิปหาคำแลมสิปหาคาแลมสิบสี่คำแลมสิปหาคำ กลางเดือนปลายเดือนแปลว่าเดือนหนึ่งสองเธอลงอโบสตนี่แหะเดือนนี่กันเดือนชีดับเนี่ยมือเศร้าก็ได้ลงอุโบสถพระทรรมดิบหองติดเลยลงอยู่ในธรรมสะพุงวัดรรมสะพุงแห่งนี้นะลงโบสดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไฟพระสงฆ์เพิ่นกบฎไดป้ปล่อยปานละเลยขึ้นกันสำหรับคราวาัญาติโ่วมก่คอควรจะ ทุกวันธรมรมสวรรค์ก็ควรจะอประกอบคุณงามความดีถ้าเปียกปรับศาสนะอื่นของเขาเนะี่อล่ำหมาดวันเมื่อลราหาเธอคนนะห้องเฮ้าเนะี่ยังเจ็ดหมือก็ยังหล่มห ล, ล, ล้อมลอยๆไปปรัชชานะคิดของเขากัเจ็ดมื่นขึ้นกันอทุกวันอาทิตย์เนีขอให้พวกเฮ้าทุกๆ ท, ท่านเนอะอยู่ในสถานที่ใดถึงวันธรมรมสวรรวันพระ ถึงจะบ่าได้มาวัดไก่สัมมาทิฏฐิในใจเออมันเป็นวันธรรมมัทสวรณะพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไหวในกุงรัชจะคือข้าวนันข่างก่อนผูกขาดจะรักษาศินมือเนี่ยหรือยาหน่อยผู้ขาดจะกราบวะไหวไพระบให้ขาดทอกวันพระอะระหังสวะคาโตสุปฏิปัโนนโมตัสสะปะวะโตก่อนหลับก่อนนอนอันนี้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท อันนี้คือส้ำนึกโยลำเลึกถึงมาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ลูกห า, าผู้นับถือในถ้มข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเนี่แหละให้พวกเข้าควรจะเป็นจังสั่นนะอันนี้คือการนอามือนี่ยมาวัดสู้วัดพวกเข้าก็ได้ไหวพระแล้วจะมาท่านศีลแล้วก็คงจะมีการถวายท่าน อุทิศส่วนกุศลต่อผูมิอุปคระคุนภู้มัลุกขะเทวดาพ่อแม่ปูย่าตายายพวกสาคขาญาติดญาติพิษสหายพัวเฮ้าเกิดมาพบนิชาตินี่ก็มีพอ่อมีแม่มีวงสาขานายาดชาติที่แล้วชาติก่อนๆไปก็มีขึ้นกันตกทุกได้ยากให้เฮ้าอุทิศส่วนกุศลใหผพวเฮาได้มาเกิดได้มาพบประพุติศาสนาได้มารักษาศีลไหวพ้พระ ละการปฏิบัติศินปฏิบัติถ้ำก็ควรจะอุทิศโชนกุศลต่อผู้มีอุปกรารคุณในอดีตชาติของพระเฒ่าอีกเพราะว่าในถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นว่ามีเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเลยชาติที่แล้วก็มียกตัวอย่างก็ยังเปิดพระเจ้าพิมพิสารมรดพระพุทธเจ้าองค์ใด เป็นเปรตได้รับกรรมมาจนมาศาสนาพุทธเจ้าจึงได้ผลจากการเป็นเปรตเพรพาะว่าพระเจ้าพิมพิสานอุทิศส่วนกุศลให้หนี่คือกันนาญญาติพี่น้องของเฮาหลายยุคหลายสมัยหลายหมู่หลายเพื่อนเกิดมาพบหนึ่งชาตินี่ก็นับปกควยญาติพี่น้องของเฮากับชาติที่แล้วนี่แหะชาติก้อนไปอีกล่ะมีมากไมเพราะนั่นเมื่อเฮาได้สร้างบุญสร้างกุศลณสถานที่ใด กา้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มิอุประกะราคุณสำหรับพกเข้าทุกรังนั่นแหละนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ผ้าน้าสมาทานศีลนะโนมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทาสสะสีเลนาเ น, นผูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยแตาไม่จริงวันเมื่อเนี้ หลวงพอ่อคิดว่าที่ได้อยูเด่คือหลวงพอ่อคิดว่าพ่อแล่วงานแหละก็จะกลับเรื่อยล่ะงานคุณแม่และแล้วนะแต่ก็มีแนวบังเอิญได้อยู่นะก็ได้อยู่แล้ว่อยู่ข้างอีกคืนหนึ่งพ่อหลวงพ่อเป็นอวังวัดคือกันในลูกหลานคือกันกับพวกเข้าหนีจากบ้านหนีจากบ้านห ล, า ย, ลายมื อ, อห่วงลูกห่วงหลานลูกหลวงพ่อก็บมีตั้งหลายคน อยู่ทั้งพุ่นกันตามไี้จริงก็เกือบ4ี่สบนะพระแต่เอามาในีสิบสามมาในีสิบสององค์มาสอยงานคุณแม่แยังเหลืออยู่พุ่นกัยังอกีกลงพอออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยสิบสองเออมื่อนี่ก็วันที่ยีสบปดวันที่ย่บเจ็หลายเมื่อ22บลงพอออกมายัางลงพอออกมา งานมทบยี่สิบสี่เปิดป้ายากรมมหลวงศิลปศิลปาคมค่ายค่ายค่ายประจกักษ์ศิลปาคมค่ายทหารของออมากได้เปิดป้ายพอเปิดป้ายเรียบร้อยแล้วลงพอลงกรุงเทพก่อนลงไปกรุงเทพเไป ทำทุลาเจ้าพนวันที่ 23, ยี่สิบสามฉันชุกสวนแสงธรรมยี่สิบสี่บินขึ้นมาแต่เสาขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่พอนะ่ะมาขึ้นเครื่องอยู่ดอนเมืองเพราสวนแสงธรรมเขดอนเมืองมาอยู่ตรงขามกันเดะอยู่คนละฝากกรุงเทพกันก็เลยมาขึ้นเครื่องมาลงขอนแกน่นมาฉันอยู่ขอนแกน่นพระหกโงน้ากันพอฉันเช็จเรียบร้อยกันไป ผักย่โรงพยาบาลสีนกคริสน์ตึกสั้นที่ส8บแปดมั่งพอสันเสร็จเรียบร้อยบ่ายโมงประชุมหอพิบัลสงหลวงปูมันประชุมนี่แหละหาทุนให้กับโรงพยาบาลสีนกคริสน์โรงพยาบาลประชุมตัวงบ่ายโมงจนหอดบ่ายสี่โมงและก็ ก, กำหนดวันทอดผ้าป่า พ่อพาปาให้โล่งพยาบาลศีนะั่นเรียกวันที่สีมิถุนาหกศูนย์พร้อมกันทอดาปาเพื่อหาทุนให้คณะสงฆ์เลี้ยงดูแลพระสงฆ์อาพาธในตึกสงฆ์พ่อแล้วหักนกนางรถมามืดฝ่ามอดดินมันมืดฝ่ า, าฝนสิ่ตขกกึ่นพ่อมาถึงอำเภอเสี่ยงยื่นบอกอำเภอ นะี่แหละอำเภอแถวอำเภอเชียงยื่นนี่ยนะฝนตกอย่างตลาดนะย่างตลาดเชียงยื่นนะฝนตกสองอำเภอเลยมาซ้าซาลงผี่ไกลๆพ่นท้องไปนะมือวอกมือนักนะมือะนะม่อ ว, วันที่ยี่สิบสี่พอมาถึงมันมาแห้งบ่อไรมันมาลด ล, ดลริบียงเมื่อไรจนมาหอดพี่ก็เกือบสองทุ่มหอดทำจะพุ่ง พ่อมาหอปดในเงี้ยข่าวดีว่าคู่บาเฮียบันเนี่ยโอ้ยคู่บาคู่บาเขาไปขึ้นไปเบิงสายนามเอครบู่บาคู่บามาจากวัดหลวงพ่อเฉลิะลาวเหรอไปขึ้นไปเบิงสายนามทั้งท่งปัดไปปัดไปตอนที่มันฝนตกเศร้าแล้วมันมืดฝ่ามดดินอยู่เหรอไปมันบ่มีแสงอาทิตย์อะ คือนไปพเข่นตามไม่เจริงบมันบนาจะขึ้นไปดอกใบสีโม่งแล้วมันคั่แล้วเพิ่นอยากลูกอยากเห็นเด้ภายในคืนไปบ้านนี่ขากลบลงมาหลงทางบานนี่ฟาดขึ้นปุ่นอ่ะไปผู้พระขามพบานนี่ทั้งทีมาจะมาทมาจะพุ่งวนออกไปเออหลวงพ่อมาหอดสองทงว่าเพ็ร จ, จังใดละวะไปห า, าเพชร จ, จังไดมาบวชหอด รดมชาบ้านเขาไปหาพระยักษ์สักมูวันเรไปเข้าไปไปหอดห ม, อหมอ่องหม่องร่งคอยวันเราไปจังไหนก็าบ่กมาหอดพีดอกสังฆ์เจ้าว่านะมันไกลปลา เ, เนี้วสันเดีบพอหอดพีดอกเจ๊ล้งมองใดหน่ะสันเดียบเอาไปมันเกือบตีหนึ่งเด้๋ยกลับมาหอดพีวนันเรไปเขาเจ้าเขาหาอยู่พอเห็นวันเราไปมือเศร้ามากหลวงพ่อก็ะถามย่างมือขึ้นหลวงพ่อก็ะถามเป็นไรเห็นพาะอะไรย่งเหรย่าง หลวงพ่อก็เป็นห่วงใ ห, ห้กกนอนเอาไปหวยเฮ็ดยังได้ไ น, นี่ยวะาะจักเะข่องเพราจักตีละคั่งวันะไปแถววัดข่างค่างนนั้นก็บอกเอาไปบอกมัดตัวเอาไปแ่าบ้านกับประกาศทั้งไม้ <c oughs> มกกักาโหลในบวงบานของเขาเอาม่มือเสามาอกีกหลวงพ่อก็ไปฉันมุกดาหารบานเนี่ยเอาพระกุมนึงไปเอาพระกุมนึงโยนยวันอรกไปให้เชาวบ้านมาบ ขึ้นไปหาพระมาอะไรหิวเข่าเตรียง ม, มาหาเนืะะ้อะก็เลยตั้งโลงท่านอีกมาอีกคนไปเตรียมหนึ่งเข่าหูงเข่าล่อรับปุที่ขึ้นไปหาพระคนหนึ่งไปขึ้นไปหาพระลงมาไอ้ต้นบวมีแนวกินเปน็นบวมเลยตาเหลือกอีขึ้นน้ำมันหิวเข่าอเออเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ ข, ขึ้นขึ้นถึงว่าต้องเตรียง ม, มาหารไว้ด้อเวลาคนขึ้นไปหาพระแล้ว ลงมากเลยจะได้กินข่าตะ ก, ก้อนมันหิวได้ลงพอก็ไปสวดมนต์กลุ่มหนึ่งกลับมาพาเห็นหมอปอเห็นว่าฉันหวป้อจึกสักพักหน่อยหน่อเห็นแล้วว่าฉันเออไปจ้งนายวันพูดนะหลอกไปตกหลอกผู้เก่าคนน่ะอทั้งตีนผู้พาขามไปหาผู้เก่าคนนะ่ะผู้เก่าที่คุณแม่เคยอยู่คุณแม่ชี้แก้วเคยอยู่ จํำพันษาคน่ะหลวงปู่หลาเคยอยู่คน่ะแต่ละพระมากเกือบเทียงพอดีวันออกไปนี่แหละอันหนึ่งก็นหนึ่งบานนี้หลวงพ่อก็คือว่าในใจนะวันที่ยี่สิบพาชันจังหันมุกดาหารแล้วจะไปกราบหลวงปูผุนมี่แต่ว่าจะไปซอยเอาปัญใหญไปซอยหลวงปูส่างเจดีย์ของเพลนน้ำคือวานะ อพ่อพระบอเห็นบัดจิตเป็นนิไปผุนก็ บ, ดบกได้บัดก็เลยมาดนางค่อยเบ่งค่อยเบ่งเ้าลงไปกลัวพาที่โรคมา ก, กเกือบเทียงพอดีเอ้ยวบ่ไปละเมืยวะ่ะไะย่างมือแรงไปหาโม่งหกโมงก่งจิตไปสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็จกจิตองค์เทศก็จะเป็นเฮาจะเป็นผู้เทศคือเกา่าละมั่งกับบ่มีผู้ไดมาละมั่งเนี่ยว่า พ่อหนานหลวงพ่อก็เลยบริเตไปกราบหลวงปู่บุมีอ่แล้วก็พ่อแม่มอแร้งมากแมนอีเดีวาไปสวดมนโอพระกะหลายนะงานขวงคุณแม่พาตั้งสองรอยกว่าองค์ไม่ชีเก่าสิบกว่าบ่ปดิกว่าเกาสิบกว่านะ่ยอ่อก็หลายอยู่เออแต่วายจ้ตุ ป, ปใจไทยธรรมเป็นตแรงหลวงพ่อเป็นเออเป็นผู้เทศ เป็นองค์แสดงถ้าอ่าแล้วก็พอจีกลับมาหอดวัดก็เลยได้ก่อนอยู่พุนก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่สวงมรณะภาพบัดเองหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นรุ่นลูกน้องของหลวงเป็นน้องน้อหลวงปู่หล่าจะว่าลูกศิษย์กรบโบแมนดอกแล้วก็เป็นลูกน้องของหลวงปู่สิงห์ทองเอิ่นหลวงปู่หลาเนี่ยพ้นมาสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเน่หน่อยอยู่ผู้จกอเด้อ อาจารย์สวงเป็น pues, คูบาว่นออกไปเออ่นคูบาสวงมนออกไปแล้วคูบาสวงอาจารย์สวงเอิ่นลงปูหลาก็จะบเอิ่นอาจารย์เนี่ยคนเอื่นคูบาลามันออกไปก็เป็นพันสาก็คูกขี้กันคึ้กันเอื่นคูบาลานออกไปเน่หละถามนามน้ำกันอยู่กับอาจารย์สวงเนี่ยตัวสูงสูงเสะเขาเป็นเน่นมันออกไปหามนามคุณผู้จ้กก็จนเคยโยกันแต่ละหลเหลือนอยู่ บันไดทราบข่าวก็บจากนั้นมากับไปมาหาสู้กันอยู่ไปเพิ่นกับนั่นไปพบไปเจอกันอยู่ในงานต่างๆไปกับหัจักมักคุนกันบันไดเพิ่นมรณาภาพบันไดหลวงพ่อก็เลยถือโอกาส ม, มากไกลแล้วอขั้นจะกลับไปวัดจะกลับมาอีกมันกระบอกก็เสียเวลาอีกขึ้นกันเอาเถอะมาถึงเพี่นักพักจากเพืนหนึ่งซะ <laughs> นี่แหละ ผักสะเคลื่อนซะไปเลยก็เลยเตรียมตัวผักเมื่อนเนี่ยวันออกไปเมื่อว่านนี่ก็เลยพอแล้วจากงานกุ้นแม่ที่แก่ก็ตีดิงไปเลยบริแวะนี้วันออกไปลวงไปเลยไปกราบศพหลวงปู่สวงไปกระตวายผ่าไตร์ผ่าไหมวันน่ะผ่าไตร์ผ่าไหมซิบก็ไหมมั้งทั้งผ่ า, าไตร์ผ่าไหมนะกระตวายปัจจัยเพิ่มสองหมื่นในงานเมื่อว่านเนี่ยเสร็จแล้วก็ กบาบคารวะเพลินกับทราบข่าววันทีวันทีเก่าเนอะวันทีเก่าเมษาเพลินเอาไว้สิบผามือบอกออพวกเขากันนะทัศน์ธาตุแย่โจมพดสิะไปไปชุ่มเพลิงเพลินกันไปได้เพลินบริโภคเพลินบริโภคไฟประราชท่านนะเพลินไปชุ่มเพลิงเลยวันทีเก่าวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์พอแล้วลุงพอก็เลยหลวงมา กาบลงปูบุญมีบาดเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้กันเนีอยู่จังหวัดเยโสข์ขึ้นกันเนห่างบาหชางกันนะวัดเผนบหชางกันประมาณสักสิบกิโลนี่มัง้งวัดลงปูสวงกับวัดลงปูบุญมีไอ้พอมอหอดแลยกันงปูเิ็นกระนังอยู่ในกุติไมเพันมาโอ้พันกุติกลางนา้ากุติใหญ่ได้บาดเลยตะกอนไปตะกอนกุติเพันอยู่หลังอีกลรางหนึ่งบาดในกุติใหญ่ยู่หลังน้ำไอ้เขาไปกาบเพันเพื่อนก็าบอว่าอะไรขึ้นเข า, า, า, เขาเน่อ เห็นแต่ปีบากไปซบมุมอับมมับมับมมอับอลูกน้องกระตาจ่องก็แปให้เฮ้าฟังกว่าหน่ไปเอ๋เฮ้ากระตาจ่องขึ้กันนะเฮ้าฟังบอกกวน่ไปอมุมบมมบมบมบถามเพลนเพลนก็ะบอให้ฟังแล้วก็ถามไปหลวงปูเป็นอะไสุขภาพอเพลนก็ตอบเออพ่ออยู่พ่อนานโยจต่เพลวะเจดีเป็นอะไรเขาหน่อยปะ เพิ S <S <an> ่นก็าเบาเลยขนาดกูบานี่ยจับวะไรเลยเจดีย์ของเพิ่นกว่างถนนสูงธนีย่างหมองหันม่องนีเนี่เพิ่นเบาจนก่อนเนี่ยมุมมัฟมุมมัฟเลยกูบาก็แป้ฟั่งวันอรไปแต่หลวงพ่อนี่แปลฟมหมดซิดเลยเราเพิ่นขัดไปยู่หันไปมีแต่กูบาองนั้นแะกูบาหลจกจแปพิแปถือกรบหุ่ยข้นไป ลงพ่อว่าจะแปรผิดแปะถึกเพื่นเราลงไปโอ้ไ่ได้เสียงเงินบมดปากเอาเบิ้งพี่ปากวันเรไปคือสี่วอลจนฉันคือสีวอลจนสี่โดไปบัทนั้นแล้วก็เออเอาเจดีย์พนย่างย่างอยู่ตั้งเทิงนึ่เป็นยอดนี่ต้องยอดลงม้านเนี่ยแล้วล่ะยอดสัตว์บัดเนี่ยังตอลงม้าเนี่ยพนยงสงเอาหินขึ้นไปไส่ออกนะแปรหินอีกแล้วก็เพดานแล้วก็ปูพื้นกเกือแปลแล้ว สรุปแล้วก็ข้แม่ ห, หลวงพ่อสรุปนะแต่หลวงพ่อของผได้ไปเบิ่งไก่ก็หลวงพ่อสรุปเหลยประมานสักแปดทิปเปอร์เซ็นตะ่ะงานจะดีของเิ็นนะอไก่ที่แล้วเต็มที่แหละแต่ก็เป็นว่าค่อยหินหินเขามาัสส่งไปท่านมดอขอุนศิลมาจากใสมาจากจังหวัดตราดฟังจะได้ภาคตะวันออกจังหวัดตราดพวเป็นตากคนเป็นตราด บ่านาหลวงพ่อก็เลยเอารลบร่วมเจตุปัจจัยซอยส่างเจดีหลวงปูเนาะหลวงพ่อก็เลยเอาคณะรัศธาหยาดโยมคณะสงฆ์คณะรัทธาญาติโยมวัดป่านาคำหน่อยรวมสมทบเจดีหลวงหลวงปูสองแสนแล้วก็พวกเสียต้อมพวกติดตามไปอีกกลุ่มรถทัวร์รถทัวร์รถนั่นจากมานตาคำหน่อยมาอีก พวกคณะชาติญาติโยมหน้าคำหน่อยอีกกลุ่มใหญ่หนึง่งตีมางานของคุณแม่เขไปน้ากันรวมรวมในหกหมื่นบ่อก็เป็นสองแสนหกหมื่นสร้างเจดีย์ของหลวงตาพวกหอโมทน่าเน่อแล้วบาเนี้หลวงปู่เพิ่นก็เพิ่นจมูกมัมุมมับมุมับหรอเพิ่นบอกให้ผ้าเอาไปป่าเนยพระเขาเลยไปเอาเอาเช็คใบนึงมาเอาไปเขาถวายเพิ่น ถวายเพิ่นเพิ่นก็เบิงเพิ่นเบิงใจแล้วเพิ่นว่ายืนมาถวายเฮ้าอะหนูไอเมื่อถวายเฮ้าเฮ้าก็รับเปิ่งเฮาก็เลยเบิ่งโอ้โลงปูเพิ่นถวายแสนหนึ่งวันตนื่อถวายขึ้นเฮ้าอะ <laughs> โมเมนต์ธรรมดาได้ไปเออเพิ่นถวายขึน้นเพิ่นเช็คของเพิ่นเขาถวายเพิ่นเพิ่นถวายเฮ้าแสนหนึ่งเฮ้าก็เลยบอกเออโอ้โลงปูให้กับผมรับแล้วปะ หลวงก็ผมรับแล้วบาดเนี่กระผมเห็นว่าเจดีย์ของหลวงปู่เนี่ยมันโบท่านแล่วอยู่อกระผมเอขอถวายขึ้นเนอะกระผมวะเพื่อให้สางเจดีย์ให้มันแล่วกระผมวะอนุโมทนาเนอะศรัทธา ญ, ญาติโยมเนอะญาติโยมกระสาทุต้องกันอย่ า, ายงพวกเข่าสาทุเดี่ยนี่เราไ อ, อเป็นอนันุวาลงพอเนี่ถวายเพิ่นสามแสนนี่แมนบมดละ <laughs> ทงพอตวายเพิ่สองแสนเพิ่งตวายขึ้นมาแสนหนึ่งทงพอถอยกรับอีกแสนหนึ่งเป็นสามแสนมันหมดปัดเนี้ยเออเป็นสามแสหกเนี่ยนี่หละกาเพิ่นมว่านเนี่ยพอแล้วแล้วก็ให้เพิ่นให้พร่อนเพิ่นให้พร่อนพ่อบอกได้ยินได้พอฟังออกอยู่ตอนให้พ่อนอย่ไปผู้เทาก็ตะเบงเสียงพ่อแห้งขึ้กันยราจงออกมาได้อย่างวรผู้เฒ่าก็ตะเบงเสียงพ่อแห้งขึ้นกันเราจังปอกมาได ปัญหเขาก็เลยเอาได้เวลาะบโจกลบกวนลงปูน่านนะผมเข้าล่าเพลนละวัดนี้ว่ะก็เลยกลับมาพวกญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็ลงกรุงเทพพวกญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็ไปอุรานมาหลวงพ่อก็เลยกล็ะพาอีกกลุ่มหนึ่งที่อยูจะมาพักข้างอเด็อนางรถมากเออเตือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยงานลงปูหลาเนเขาก็บบริมาเข้าเป็นวัดในช่วงนั้นนะลุกลานไง เป็นวัดยางนักเลว้วนะเป็นไข่ก็จะว่านวัดไงพอนะวะไอ้ภาษานโน้ยขึ้นไปเขาบอกยังบ่ได้หรอกไม่ตาไ อ, อ้อ่ะเป็นวัดบอ่อไปก็เลยบอ่อมาพ่อบอ่อมาข้าวเนี่ยเออมากไกล่ลงปูธนาเจะขึ้นไปกราบลงปูรอดล่องเนี่ห น, นีจะพูดเจ้า ก, ก่อไปขืนย่ำไหนก็เมอยอย่ำนั่นขืนมาบัดเนี่ยมอสิบเมยอยึ้นเขา ว, ว่าล่อง ล, องลองน่นเดือว่ะ อข <c ười> ึ้นพูดจะ ก, ก่อนี่คืนนึนย่มไรคือเมื่อยแยสมัยเป็นเน่นเป็นเนเ่ น, เ น, นกันนี่นะลูกน่องไส้ของคู่ศินป น, นีนไอไอ่นะเนี่ไอ้ไอ้บรรยายไปย่ามว่าจะต้องไปเอาน้นําไปว่าจะบ่กูบานนั่นละว <c ười> ่าไอยเจ้าเป็นผู้หน่อยเจ้าเป็นเน่นหน่อยก็ยเฮ้าเฮ้าให้เจ้านี่ยลงไปคอยสิศนั่นอยอดดี หลวงปูลาผู้เฒ่าโมโหมันเป็นยังใดพวกด้ฝาดเวียงกระติกใจต้นใหม่บ้แตกคนไปแปลกยจนะังคือเจา้ามดบัวรึผู้เฒ่าที้วันตั้งทีมันจิกกระติกแตกบ้แตกคนเราไปมันเป็นยัางผู้เฒ่าโยนหนึ่งสิมันเป็นอยังมันยังหาเดนงกันให้พวกเนีน่หนิงเขาใส่หนุนผู้เฒ่ า, าว่าเราไปผู้เฒ่า็ขาไ้เวียงแห้งเลยจักโยนกระติกคนเไปโอ้บังกระติกบ่วแตกเข้ากเลยฝ่าวลงจกไไักใครไหวคนเาไป เพราะไรกับมอยได้ลงพูม่นบดล่ะพองอยู่กูตีลงปูพนเนีอยกูตีลงปูคนสู้ผู้เท่าผู้ลงปูผัดสไม่เท่าเนผู้เ่าเฮ็ดไม่เท่าสกอดกอดไม่ลบกบนะแหวห้พวเขากับเป็นผู้คาดไทยว่รบะเอากระดาษไส้กับเน่นย่ายาวรบะเน่ยนย่าวยาดมันก็เป็นเท่าเลยเนี่ขาวขนาดกะาเ่า็เ่าเนีนย่ยาวไม่พสจเข้าเจ็ดเที่วกมัหกสิบวันนี่แหละ เข้ายังคืดพออ่อโยนนะโอ้ขืดย่ำไรก็มือยย่ำนั่นเน่ะผู้จ ก, กอเ น, นี่าวะวะมือวาดเนี่ยก็เลยทดลองขืนมโนวะมาก็เลยขืดบังโอ้มวย อ, อยู่แตงพ่อไหวอยู่ขืนไปก็ไปเบิงเจดีน่ะเจดีสอมรอบที่สามเลยเจดีหลวงปู่หลาเนี่ยสอมรอบที่สามพ่อสอบรอบที่สามเนี่ยเมื่อเดือนก้อนก่อนเดือนท่านวาดมาเดือนพฤศจิกาท่านวาด น, นะงานก้อนงานหลวงปู่หลา ไปซื้ออิฐหินไอเอนะกระเบื้องอิตาลีมาพวกนายช่างก็ถามว่าการก่อสร้างเขานี่งบเนี่พวกเกือบล้านนะท่านอาจารย์จะซ่อมให้เออซ่อมซ่อมะซ่อมซ่แล้วก็บอกว่าการซ่อมเนี่ยจะใช้อิฐหินไอกระเบื้องจากประเทศอิตาลีนะประมาณแสนไอสามแสนี 4ี่แสนสี่สี่แสนี่เน่ยเออเอามาหลวงพ่อก็เลยเป็นผู้จ่ายเอยเงินวัดรปานนะครับหน่อยหนึจ่ายปัาค่าแล้งพม่านสามแสนกว่าวนไปพราะมันเฮ็ดขึ้นไปเฮ็ดสอบกันทั้งเทงหมดเลยก็นั่งลงนั่งลานขึ้นไปมันก็เสียเวลาบมันก็เสี่ยงอีต่างหากเขาก็คายสอมก็ม้หมดเงินหลายเตอร์สลบระมดพม่านเจ็ดแสนกว่านะสอมนะกข้าวนี่ยสอมเจดี หลวงพ่อจงมองไงโอ้็ดีนะมือว่านกันไปเปล่งก็เรียบลอยดีมากเลยไปเห็นที่เขาสอบตะ ก, กอนหนาเนี่ยโอ้ยเปิ้ลเดินปั่นดานมันไปมันลดมันไปในหลายจักสิแก้ไขจังไหนต่อไปเนี่ยคานว่าหลวงพ่อตายไปเลยว่าผู้อื่นตายไปลูกน้องอเขาอาจจะเฮ็ดดีกว่าดีก็ได้วันนะเออยังคืด อ, อยู่คืดกันน่ะแต่ว่าที่หลวงพอกก่อบอมว่าไก่ตอกอนไปตายแล้วไปอนตาดนานแล้วนั่นไปเออ ปรด็เฮ็ดอย่างไรบ่เนี้จจมาเห็นเจดีของคุณแม่ชื่อแก้วคือกันบัตเมืาาะะ่อวานเคลนไปก็ไปเห็นไอ้กระเบื้องในหน่อยแพนในหน่อยก็รถอี่ขึ้นกันน่ะกระเบื้องอิตาลีขึ้นกันนะหลวงพ่อกำลังเอถ้าเป็นไปได้เนี่ยขั้จะมีควรจะเป็นสเตนเลสแบบหลวงของหลวงปูเหลียญ น, น่ะเอาสเตนเลสหุ่มลงมาเจดีของเจดีหลวงปูเหลียญพ่นพ่ น, พนสีเหลืองเละ แต่ว่าเจดีของคุณแม่ชื่อแก้วเนี่ยอาจจะเป็นสเตนเลสแล้วก็เอากระดาษไส้คัดเห็นมันม่วมๆคือมันสีผ่าขาวหน่อยก็เจดีขึ้นกันเดี่วซอยๆกันเบิงหน้าว่ะส่วนราคาจังไดยังคอยว่ากันมันดีกว่ามันถือเหตุเฮกเบื้องแผนแน่นอนลุอเปนเลนปนลานนี่ยเบิงเบิงมันกับจังใดขั้นพอสวมก็จักจังไดขั้นสีสวมก็พ่อแม่เลือกหน่อยอีขึ้นกันน่อยอันนี้แหละ พ่อมาเห็นเจดีหนึ่งหลวงพ่อยังว่าขั้นเป็นเสีเฮ็ด JD เจดีเฮ็ดใหให้มันแบบสอบยากกว่าไปเฮ็ด น, นมันแล้วเลยดีกว่าการเป็นแพงกับแพงเธอเดียวเลยแต่ของหลวงปู่ปุ่นมีนไปเห็นของหลวงปู่พันชายหินทั้งมัดเลยล้อมรอบพระเจดีอของผนเออเฮาไว้เป็นตําหนิโคงว่ะวะนี่แหละนั่นเีงก็ไปเห็นเจดีหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ลัก ลงคุณแม่ชี้แก้วนะนแ่แหละอันนี้ก็คือแล้วก็เจดีย์ของหลวงตาบันเนี่ยหลวงพ่อก็จะจะบ่อยคณะสัทธาเนี่ยนมพังขึ้นกันเ mm hmm. จดีย์หลวงตาเนี่ยก็6ปีเลยปีนี่เป็นปีที่หกวันที่สามสิบมกราเป็นปีที่หกจบครบหลบจังในซอยคอยสั่งพระเจดีย์เดี๋ยวถึงกำลังส่างกำลังตอกเสาเข็มอยู่ได้ประมาณหกลอยกว่าตนนะมั้งเมื่อกเนี่ยประกาศ หาทุนสื่อเสาเข็มตนละสองหมื่นกว่าบาทสองหมืนสองหมืนหกพันสองมืนหกพันแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละได้ครบพอนละอะไรสามสิบสองล้านกว่าเดเดี่ยวคือคำล่งตอกนะตอกเสาเข็มนี่แหละออคือว่าประมาณสักสามปีก็คือสีแล่วาว่าไตามตามที่คิดไว้นะนพรานาวกเวเฮานะกันผู้ได้อยากสร้างทำหมุนครับ เสเข็มลงตาฟั่งเพิินไปละหลอกละหลอกไปย้อนตูส่งไปส่งบั่นตดัดฝากกันไปส่งลงตูบั่นตาดไปสางเจดีย์ประถงไปเหตเองร็อกโ่เมนเท่าจะไปแล้วไปหิวปูดเดีงเพอเ พ, เพกอกรอีต ก, ก่อนหินหลน่นใส่หัวเจ้าของอีกเอาเงินนะ่ะไปสอบเอาเงินนะไปไปแทนเท่านะไปเอท่าหูวจักเจดีแล้งหนึ่งต่อแล้งหนึ่งสามร้อยนะเท่าก็ เออผู้ขายซอยแรงหนึ่งเน่าเน่เอาเงินสามอยไปใส่ตูเพ่เออผู้ขายที่ซอยสองรงกเน่เงินหกลอยไปใส่เออผู้ขายที่ใส่ซอยสามรกเนาเงินเก้าลอยใส่ใส่เนี่แหละเออเอาเงินไปแทนเท่ารถเงินเทาไปเองเน่เพเพไปเหยียบไม่พิกบวกต๊กนางลานบอเออหัวหางคางแตกอีกต่างหากเออนั้นให้พวกเข้ากันุนก็นลงตา เอาจังสานและหลวงพ่อวัดนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้าหนุโมโตนาหายพอนะ่อหลวงพ่อเลี่ยงลํารับอที่หลวงพ่อออกมาจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองไปไสมาไสแดงแต่เมื่อนี่หลวงพอ่อผมมีอย่งพ่อกิจการวัดอ่ะนะโมเนีนะ่ยจันท์ยังหันแล้วจะล่าลูกล่าหลานครับวัดป่านหน้าคำลอยละ่ะคงไปถึงปุ่นกันตอนใบใบคำคำเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์เนุโมโตรนาหายพ่อเนีพ่อนะ่า